สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอนาถาปิฎิกาเศรษฐีอุบาสกและเรื่องที่เล่ามาในตอนที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่ท่านอนาถปิฎิกาเศรษฐีได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาจำพรรษาอย่างเมืองสาวัตถีแล้วท่านก็ได้มาแสวงหาสถานที่ที่จะสร้างวัดถวาย แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าสถานที่ที่ท่านพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมดีก็คืออุทยานของเจ้าเชตรราชช ก, กุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิทโกศลโดยทนานาถาปิฎกเศรษฐีพิจารณาเห็นว่าพรอุทยานของเจ้าเชตรราชชกกุมารเป็นสถานที่เหมาะสมจึงได้ไป เข้าเฝ้าเจ้าเชตราชกุมารและกราบทูลว่าขอใต้ฝ่าพระบาทจงประธานขายพระอุทยานแก่กล้าประมมเพื่อจัดสร้างพระอารามพระโชคะเจ้าเชตราชกุมารตรัสว่าดูก่อนท่านกระหังพอดีอารามเราไม่ขายเราไม่สามารถจะขายได้นอกจากท่าน ซื้อด้วยเอาทรัพมาราชเรียงเป็นโกฎๆลงในสถานที่นี้ธ่า น, นานาถบิกาเศรษฐียิงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอันว่าพระองค์ทรงตกลงขายอารามแล้วพระราชากะเจ้าเพตรราชกมุมารตัดคานว่าดูก่อนกระเบรบดีฉันยังไม่ได้ตกลงขายอารามแต่านนาธานานาถบิกาเศรษฐี ก็กราบทูลยืนยันว่าที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นก็เป็นอันว่าตกลงขายแล้วแต่เจ้าเชษราชชกุบาลก็ตรัสคัดค้านว่ายังไม่ได้ขายเมื่อบุคคลทั้งสองยังพูดตกลงกันไม่ได้จึงต้องไปหามหามาตผู้พิพากษาความโดยเข้าไปถามมหามาต ผู้พิพากษาความว่าการที่เจ้าเชตฐราชกุมารตรัส ด, ดังนั้นเป็นการตกลงขายหรือไม่ตกลงขาย ม, มาฮามาดผู้พิพากษาตอบว่าเมื่อพระองค์ทรงตรีราคาแล้วก็เท่ากับเป็นการตกลงขายอารามแล้วพระเจ้าค่ะฝ่ายท่านนาถาบิิกาเกษฐีเมื่อตกลงได้ซื้อพระอุทยานของ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 ท่านกรราพอดีท่านอย่าเอาเงินมาเรียงรายในที่นี้อีกเลยท่านจงเหลือที่นี้ไว้ให้โอกาสแก่ฉันที่ว่างตรงนี้ฉันยกให้ทนนาถมตสกัเศรษฐีคิดใคร่ครวนว่าเจ้าเชตราชกุมารทรงเป็นผู้ระด่งเรื่องพระนามมีคนรู้จักมากจะทำให้คนทั้งหลายที่รู้จักพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ เกิดความเลื่อมสายในพระธรรมวิวัฒน์ได้จึงเหลือที่ว่างนั้นไว้ให้เจ้าเชตดราช ก, กุมารเจ้าเชิดราช ก, กุมารรับสั่งให้สร้างสุ้มประตูลงในที่ว่างนั้นส่วนธนนาธิบิณกะเศรษฐีได้ให้สร้างวิหารหลายหลังไว้ในวัดประเชตวันมหาวิหารสร้างบริเวณสร้างสุ้มประตูสร้างสลา ขอฉันโรงไฟกับยักุดีวัชกุดีคือส้วมที่จงกรมโรงจงกรมบ่อน้ำศาลาที่บ่อน้ำเรือนไฟศาลาเรือนไฟสะบกขรนีและสร้างบุญดกบสำหรับเป็นที่อยู่และ เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพิสุสมสาศาสนสถานต่างๆที่ทานานาถบิธิกะเศรษฐีสร้างขึ้นในบริเวณวัดประเจดวันมหาวิหารดังมีชื่อปรากฏอยู่ในอนาถบิณฑิกากะปฏิกาถาสันติเกนิทานแห่งอัตกถาชาดกว่าทานานาถบิติกะเศรษฐีสร้างพระคันทกุดี คำว่าพระคันธกุดีก็คือกุดีที่อบด้วยกลิ่นหอมระรื่นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าวไว้ในถ้มกลางสร้างเซนาสะนะเป็นต้นว่ากุดีชั้นเดียวกุดีสองชั้นสลายาวชื่อหังสะวัตปิกะมนดบอันเป็นอาวาสที่อยู่รวมโดยลำดับสำหรับพระเถระ80องค์ทั้งหลาย สะบกกรณีก็หมายถึงสะบัวที่จงกรมที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันร้อมรอบพระคันธกุฎีนั้นเรื่องการสร้างสลาที่พักายทางจากเมืองราชครึกมาทิ้งเมืองสาวัตถีทั้งการสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านนาถบิิกะษิตีได้สละเงินเป็นจำนวนมากมายมีกล่าวอยู่ใน อาถปินธิกะกะหะปฏิกะถาสันติเกนิธานแห่งอัตกถาชาดกในอัตกถาคัมภีมโนรัฐปูรณีและในอัตกถาคัมภีสารัฐพกาสินิวะท่านอนาาถาปินิกะเศรษฐีได้สละทรัพย์เพื่อก่อสร้างที่พัก เป็นสาราลายทางขึ้นหลังละหนึ่ง0สนกหาปณะโดยสร้างขึ้นไว้ในระยะทางที่ห่างกันทุกๆหนึ่งโยต์สำหรับไปเป็นที่พักระหว่างทางของพระพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขและเมื่อนับระยะทางจากเมืองราชคฤื้ถึงเมืองสาวัตถีได้สีโยต์ ถ้านับจํานวนเงินที่ท่านเศรษฐีบริจาคสร้างสลารายทางทั้งหมดได้4ล้าน5 0สนกหาปณะนะส่วนเงินที่ใช้ซื้อพระอุทยานของเจ้าเชต ร, ราชกุมารเป็นจํานวน18โกศกหาปณะไนดะ้เงินที่ใช้ทําการก่อสร้างวัดทั้งหมดอีกจํานวน18โกฏกหาปณะนะเมื่อรวมเงินที่ใช้ซื้อที่ดิน และค่าก่อสร้างเสนาสนะทั้งหมด36โกดกหาปณะนะและวัตถุที่ท่านานาถาบินิกะเศรษฐีจัดการสร้างขึ้นมีชื่อว่าวัดประเชตวันมหาวิหารโดยนำพระนามของเจ้าเชตราชกุมารมาเป็นชื่อวัดครั้นการก่อสร้างวัดประเชตวันมหาวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านานาถาบินิกาเศรษฐี จึงส่งทูตไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุสงฆ์เป็นจํานวนมากให้เสด็จมายัางพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุสงฆ์เป็นจํานวนมากได้เสด็จออกจากพระนครราชกุฎมาตามพ้นทางที่ท่านอนาถาปินิกาเศรษฐีได้ให้สร้างสลารายทางไว้สําหรับประทับ พ, พักในระหว่างทางโดยพระองค์เสด็จ พระพุทธดำเนินโดยลำบับมันขาววลา1โยตน์1โยน์เท่ากับ400เส้เซนหรือ16กิโลเมตรเมื่อรวมเวลาที่เสด็จพระพุทธดำเนินทั้งสิ้นได้45วันจึงเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแควนโกศลหรือประเทศโกศลฝ่ายธานานาถาบิดกะเศรษฐี ได้ให้คนจัดการประดับตกแต่งพระวิหารไว้อย่างสวยงามและให้บุดพร้อมด้วยพวกกุมาร500คนถือธงผ้าห้าสีจํานวน500คันไปรับเสด็จในการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ธนนาถบีธกะเศรษฐีได้จัดขบวนรับเสด็จโดยให้พวกกุมารที่ถือธง500คนเหล่านั้น เดินนาเสด็จไปข้างหน้าส่วนขบวนต่อมาเมื่อพกอุบาสก์เดินนําเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ขบวนลําดับต่อมาให้ภรรยากับหญิงบริวาร500คนถือต้าน้ําตามขบวนเสด็จและขบวนสุดท้ายเป็นขบวนของท่านานาถาปิณฑิกาเศรษฐีพร้อมด้วย เศรษฐีบริวาร500คนเดินตามขบวนเสด็จเข้าในวัดประเชตวันมหาวิหารธนนาณถบีติกะเศรษฐีได้กราบบังคมทูลพระเจ้าเปรสเนาธีโกศลเพื่อขอพระบ ร, รมราชาอนุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระนางสุมนาราชกุมารีให้เสด็จไปรับเสด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าด้วยและพระนางสุมนาราชกุมารี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 อระดานทองสามโลหิตะสีแดงแดั่งตะวันอ่อนสี่โอทาตะสีขาวดั่งแผ่นเงินห้ามันเชิดถสีโหงสะบัดเหมือนดอกเซ้งหรืองอนไก่หกประพัดสอนสีเรื่มพรายเหมือนแก้วผลึกรสมีทั้งหกประการแผ่ซ่านออกจากพรระกายไปทั่วทุกทิศ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนกระหั บ, บดีท่านจงถวายพระวิหารนี้แก่พระพิสุสงฆ์ผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสี่เถิดธานานาถบิิกเศรษฐีกราบทูลรับพระพุทธธร บ, บัติแล้วจึงจับต้าวทองคำหลังน้ำในต้าวทองคำลงไปที่ประหัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์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 การให้ที่อยู่อาศัยว่ามีผลดีอย่างไรเพราะว่าการให้ที่อยู่อาศัยมีผลดีชื่อว่าให้ความสุขทั้งปวงฉะนั้นผู้ที่สร้างที่อยู่ถวายพระภิสุขสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นความสุขให้แก่พระภิสุสงฆ์ท่านผู้สร้าง ก็ยอมได้รับความสุขทั้งโปรงรุ่งเช้าขึ้นเริ่มแต่วันที่สองเป็นต้นไปธนานาถบิกะเศรษฐีได้เริ่มงานการฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารมีการเรียงบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา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 สลากนี้ก็หมายถึงซี่ไม้หรือวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายโดยเขียนหมายเลขหรือชื่อเจ้าของทยธรรมใส่ลงในสลากนั้นโดยท่านถวายวันละ500รูปปักขีกรพัดอาหารที่ถวายปักละครั้งคือ15วันต่อหนึ่งครั้งครั้งละ500รรูปสลากยาคู ยาคูคือข้าวต้มที่ถวายตามฉลาควันละห้ารอรูปปักขีกายาคูข้าวต้มที่ถวายปักละหนึ่งครั้งครั้งละห้ารรูปทัวพัดหมายถึงอาหารที่ถวายประจําวันละห้ารูปอาคันตุ ก, กะพัดคืออาหารที่ถวายพระภิกษุผู้จรมาจากต่างถิ่นห้ารรูปคมิกลพัด คืออาหารเพื่อผู้เดินทางไป500รูปคิลานภัตอาหารที่ถวายพระพิสุ์อาพาธ5 0 0รรูปคิลานุปถากพภัตหมายถึงอาหารเพื่อถวายพระพิสุผู้พยาบาลพระผู้ป่วยและปูราดอาสนะประจำว้สสำหรับพระพิสุไปฉันประจำวันวันละ500ที่ภายในเรือนของท่าน เกียติคุณอันสูงส่งของท่านานาถบาินติกะเศรษฐีที่ท่านได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมีอยู่ในบาลีคมพีอังคุตระนิกายเอกนิบาทว่าการต่อมาภายหลังเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงตั้งอุบาสกทั้งหลายไว้ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมเรียกว่าเอตทัะทั้งหลาย ตามความเหมาะสมได้ทรงประกาศตั้งธนนาถบิติกะเศรษฐีไว้ในตําแหน่งอันเลิศความว่าลูก่อนภิกษุทั้งหลายสุท ธ, ธะตะาธนตาบิาาดิกะกระหังดีเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นอุบาสกของตถาคตในฝ่ายการถวายทานก็เป็นอันว่ า, า, าธนนาถบิติกาเศรษฐีนี้เป็นผู้เลิศกว่า บาสุกทั้งหลายในด้านการถวายทานธนนาถมิตรกะเศรษฐีนอกจากจะมีความดีเด่นที่สุดในการบริจาคทานแล้วท่านยังประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในศีลและพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวของท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยดังมีเรื่องอยู่ในอันตรคถาคัมภีขุตกานิกาชาดกแห่งสตริกาละกันีชาดกว่า ทานานาถบีดิกะเศรษฐีได้รักษาศีล5ประการอยู่เป็นนิจนับตั้งแต่เวลาที่ท่านได้เสเร็จเป็นพระโสดาปฏิพลแล้วคําว่าพระโสดาปฏิพลก็หมายถึงผลของการเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานแล้วเรียกท่านผู้ที่ได้สาเร็จพระโสดาปฏิพลว่าเป็นพระโสดาบัน เรื่องของศีล5ประการที่ท่านอนาถปิฎิกะเศรษฐีรักษาอยู่เป็นนิจเป็นศีลสําหรับทุกคนเป็นกติกาในใจของตนเองเรียกว่าเป็นกติกาในใจของแต่ละบุคคลเมื่อต้องการจะรักษาศีลก็ต้องตั้งกติกาในใจของตนให้แ น, แน่วแน่ว่าตนจะรักษาศีลศีลแปลว่าปกติหรือเย็น มีห้าข้อคือหนึ่งเว้นจากการทำลายชีวิตภาษาบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีสองเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามีได้ให้ภาษาพระว่าอธินนาธานาเวรมณีเว้นจากกระพิษผิดในกามภาษา บาลีว่ากาเมสุมิชาจาราเวรมณี4เว้นจากการพูดเท็จภาษาบาลีว่ามุสาวาทาเวรมณี5เว้นจากเศพของมืนเมาคือสุราระเมรยัยตลอดกระทั่งมัชชะก็ของมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ภาษาบาลีว่าสุราเมรยะยมชะปะมาทถานาเวรมณีนี่ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับศีลห้าประการบุญลัคนาเทวีภรรยาของท่านนาถาบินธิกาเศรษฐีก็รักษาศีลห้าอยู่เป็นนิดเหมือนกันแม่บุตรของท่านเศรษฐีก็รักษาศีลห้าตามอย่างท่านเศรษฐี และตลอดกระทั่งบ่าวไพร่ในบ้านของท่านเศรษฐีก็ตั้งใจรักษาศีลหเช่นเดียวกันนับเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ยึดการเดินเนินชีวิตที่สูงสุดด้านมนุษยธรรมคือทํำของมนุษย์ด้วยการรักษาศีลผลดีแห่งการรักษาศีลที่บรรดาบุคคลในครอบครัวของท่านเศรษฐีได้เป็นที่ปรากฏโดยทั่วไป คือวันหนึ่งพระพิสุทธงหลายนั่งประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าธนานาธะบินิกะเศรษฐีเป็นผู้งามทั้งตนและบริวารด้วยการประพุทธ ย, ยึดมั่นอยู่ในเบนจศีลคือศีลห้าเป็นนิตยาการ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปประทับในโรงธรรมสภาที่พระพิสุทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันอยู่และได้ตรัสรับโรงกับพระภิสุทังหลายว่าธนน า, นาธิปิฎกเศรษฐีเป็นผู้งามทั้งตนเองและบริวารทั้งหลายด้วยการประพฤติยึดมั่นอยู่ในศีลบุคคลผู้มีบุญบา ร, รมี ย่อมจะมีใบบุญปกแผ่ไปถึงแก่ผู้อื่นด้วยดังเช่นทนานาถามินติกาเศรษฐีเป็นผู้มีบุญญาพินิหารแผ่ไปยังบริวารดชนของท่านอีกทั้งท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยจึงช่วยให้บริวารชนได้ประพฤติปฏิบัติตนดีงามตามไปด้วย โดยมีเรื่องราวเล่าไว้ในอัตกรถาคำพีมโรถาปุรนีและในอัตกถาคำพีธรรมบทแห่งอปมาทวัคในเรื่องพระนางสามาวดีว่ามีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งเที่ยวแสวงหารับจ้างทำงานจึงได้เป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านของท่านอนาถบีติกะเศรษฐีและเขาได้อาศัยการทางานรับจ้างเลี้ยงชีวิต เวลาต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งธานานาธาบิติกะเศรษฐีกลับมาจากวิหารแล้วถามว่าในวันนี้ใครๆได้บอกถึงวันอุโบสถแก่ลูกจ้างคนนั้นแล้วหรือยังบุคคลในบ้านเรียนตอบว่าข้าแต่นายยังไม่มีใครบอกเขาเลยขอรับธานานาธาบิติกะเศรษฐีจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้น พวกเจ้าจงหุงหาอาหารเย็นไว้สําหรับเขาคราวนั้นคนเหล่านั้นก็หุงข้าวสุกด้วยข้าวสารหนึ่งกอบไว้ให้แก่ลูกจ้างผู้นั้นฝ่ายลูกจ้างผู้นั้นกระทําการงานในป่าอยู่จนตลอดวันแล้เขาเขากลับมาบ้านในเวลาเย็นเมื่อมีคนคดข้าวให้ก็ยังไม่ยอมบริโภคในขณะนั้นด้วยคิดว่า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 ตอบที่แจงว่าในเรือนนี้เขาไม่หุงอาหารเวลาเย็นในวันอุโบสถทั้งหลายบุคคลทั้งทุกคนย่อมเป็นผู้รักษาอุโบสถทศีนโดยที่สุดแม่แต่ดเด็กผู้ยังดื่มน้ำนมท่านมหาเศรษฐีก็ให้โวนปากและให้ใส่ของมีรสหวานสี่ชนิดลงในปากรสหวานสี่ชนิดก็ได้แก่ เนยใสในคน้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วทำให้เป็นคนรักษาอุโบสถทศีลเมื่อประทีพคือโคมไฟที่ระคนด้วยน้ำมันหอมสว่างโพรงอยู่เด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายเข้าไปที่นอนแล้วสาทยายอาการ32ก็คือการท่องหรือการ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 กระผมจะได้เป็นผู้รักษาอุโบสถทศินบ้างขอรับบุคคลทั้งหลายตอบว่าท่านานาถบิดกษฐีย่อมรู้เรื่องนี้ดีผู้รับจ้างจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเรียนถามท่านานาถบิดกษฐตีเถิดขอรับบุคคลเหล่านั้นได้ไปเรียนถามท่านานาถบิดกษฐีแล้ว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 เป็นอย่างไรบ้างพอคุณผู้รับจ้างเรียนตอบว่าแค่นายลมได้กำเริบขึ้นในร่างกายของกระผมมากครับท่านนาถวิตริกาเศรษฐีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจึงลุกขึ้นรับประทานเพสัชนี้ท่านผู้หวังครับเมื่อท่านนาถวิตริกาเศรษฐีบอกให้ผู้รับจ้างรับประทานเพสัช คือของหวานที่มีรถสี่ชนิดนั้นผู้รับจ้างจะกระทําตามทา น, นานาทะบินิกะเศรษฐีหรือไม่อย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังในวันต่อไปต้องข อ, อยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ